ถ้าใครจะส่งกันบ้านเชิญพวกผิดเก่านี่รีบแย่งนั่งหน้าหมดเลย <c oughs> ว่างไงใครจะส่งกันบ้านก่อนโยไม่โยอุโสดีนะรู้สึกไปไม่ได้เนีย่ยทำตรงนี้ใช้ไม่ได้แล้วเนีย่ยไปปรุงขึ้นมา อย่าจงใจแกล้งไม่ทำนะจิตเป็นไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไปเลยรู้เข้าไปตรงๆโยแค่เวลาโยดูใช่ไหมหรือโยสังเกตอารมณ์ภายในเห็นไหมว่าจิตมันเคลื่อนไปนะให้เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไม่ห้ามนะไม่ใช่ไปห้ามมันไม่ห้ามเพีงนิดเดียวเลย มิปัสนาจะไม่ทําอะไรเกินกว่าการรู้การที่จิตของเราไม่ตั้งมั่นจิตเราส่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะั่นเรียกว่าจิตส่งออกนอกหนะ้าที่ของเรารู้ทันจิตที่ส่งออกนอกเมื่อรู้ทันจิตที่ส่งออกนอกจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัตินะตั้งมั่นโดยไม่ได้แกล้งทําขึ้นมาความตั้งมั่นตัวนี้จิตจะโปร่งโล่งเบานะไม่ทําอะไร นะี่ทำอย่างงั้นนะศึกไปอย่างงั้นนะหละอย่าไปแต่งอะไรขึ้นมารู้ไปเรื่อยๆแล้วเสร็จแล้วก็มารู้กายรู้ใจจะเห็นว่ามันไม่ใช่เราทันทีเลยแต่ถ้าเมื่อไร่เราหลงอยู่ในโลกของความคิดมาดูกายมันก็เป็นกายเราดูเข้าไปที่จิตมันก็เป็นจิตเราเไว้เราเรานี่คือความคิดทั้งนั้นเลยเห็นไหมจิตจะไปนะดูออกไหมขยับขยับขยั บ, ยบเตรียมจะหนีไป มันขุกคลิกก็รู้ว่ามันขุกคิกจริงๆเท่าคือมันมีแรงผลักดันให้สแสวงหาอารมณ์มีเจตนาจะสแสวงหาอารมณ์หน้าที่เราก็รู้สบายๆต้องรู้สบายนะรู้ไม่สบายผิดเลยจิตที่เป็นกุศลต้องไม่นิตที่สบายเบาๆจิตหนักๆเป็นอกุศลจิตมันเกิดจากความตั้งใจทำ สร้างใจทำก็ผิดเลยเพราะะ้สติี้อให้มันเกิดเองให้มันรู้สึกขึ้นมาไม่ใช่เราไปตรงใจทำขึ้นมานี้มันจะรู้สึกขึ้นเองถ้าเราหัดหัดตามรู้กายหัดตามรู้ใจให้ตามรู้ไปเรื่อยๆรู้เล่นๆรู้สบายๆอย่าไปจ้องไว้ก่อนโย่ไปจ้องไว้ก่อนรู้ไหมที่ผ่านมาที่ไปไม่ได้เพราะว่าไปจ้องไว้ก่อนไปรอดูว่าเมื่ อ, อไรจะมีอะไรให้ดู อันนียไม่เอาเลยใจลอยไปรู้ไหมรู้จักใจลอยไหม <c oughs> เออใจลอยนั่นแหละภาษาบาลีขาดสตินะใจมันหนีแวบไปถามว่าห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาจะห้ามไม่ให้อกุศนเกิดก็ห้ามไม่ได้จะสั่งให้กคุสนเกิดก็สั่งไม่ได้ นี้จิตจะเกิดอกุศลหรือจิตจะเกิดกุศลเนี่ยเาเกิดไปตามความเคยชินอย่างจิตของเราเคยโมโหมีโทสะนะเรียกปฏิคานุสัยมีอนุสัยที่โมโหมันก็จะโมโหบ่อยมีอนุสัยที่โลภมันก็จะโลภบ่อยมีอนุสัยชอบหลงชอบเมือมันจะเมื่อบ่อยในทางกลับกันถ้าไม่ใช่อนุสัยถ้าเป็นทางบวก มีบารมีในทางที่จะฝึกให้มีสติคอยตามรู้กายตามรู้ใจไปเรื่อยๆต่อไปไม่ต้องเจตนาตามรู้หรอกสติมันไปตามรู้เองเพราะมันเคยชินที่จะรู้งั้นหน้าที่ของเราทําจิตให้เราคุ้นเคยกับอารมณ์ที่เป็นกุศลไปเรื่อยๆอ๋อมันจะเปลี่ยนซีเพราะว่าอนุสัยเนี่ยมันเกิดจากการที่เราปล่อยใจตามกิเลสไป อย่าเราเคยขี้โมโหทุกวันจะต้องโมโหไม่โมโหกินข้าวไม่ลงต้องโมโหสักหน่อยหนึ่งนะรู้สึกร่างกายกับพรีกก่กระเป๋าจิตใจคึกคักเ น, นี่ยทุกวันก็จะต้องโมโหแต่ถ้าเมื่อไหร่เราจเจริญสติเรามีสติอยู่อกุศลจะไม่มีโทสะจะเกิดไม่ได้หรือเรากําลังกโกรธอยู่อโทสะเกิดก่อนก็ได้กําลังโกรธอยู่สติเกิดไปรู้ทันว่ากําลังกโกรธ จิตในขณะนั้นเรียกว่าจิตไม่มีโทสะในขณะที่จิตหลงอยู่กับโทสะเรียกจิตมีโทสะพอรู้ว่ากําลังมีโทสะเนี่ยจิตดวงที่ไปรู้เนี่ยเรียกว่าจิตที่ไม่มีโทสะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสหรอกเมื่อไหร่หลงเมืม่อ น, นั้นมีกิเลสและกิเลสเล่นทีเผลอเล่นตอนหลงเท่านั้นหลงคิดเนี่ยตัวสําคัญที่สุด น, นี่ถ้าหากเราไม่หลงไม่เผลอเนี่ย จิตใจก็เริ่มจะไม่คุ้นเคยกับการโมโหเนียอนุสัยเปลี่ยนเคยฝึกที่จะรู้สึกตัวมีบารามีที่จะรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นแล้วรู้สึกตัวถี่ขึ้นยิ่งรู้สึกตัวถี่ขึ้นมากขึ้นกิเลสก็ยิ่งเกิดได้ยากขึ้นยากขึ้นเพราะไม่มีช่องว่างให้กิเลสเกิดเมื่อใด้มีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสกิเลสเล่นถีเพลอเท่านั้นเสริฟพิชิตอนะ่ะถึงจะมีกิเลส หรือกิเลสของแมวเกิดตอนไหน เ, เออตั้งท่ามันมีโลภะมันต้องหลงก่อนคิดถึงการปฏิบัติใช่ไหมแล้วอยากปฏิบัติซะหน่อย เ, อเนี่ยเราคิดลงใจจะปฏิบัติก็เลยตั้งท่าการตั้งท่าของเราเนี่ยเราตั้งท่าไปตามโลภะความอยากจะปฏิบัติในขณะนั้นจิตมีโลภะในระหว่างที่ ปฏิบัติใไ้ด้วยความจงใจทําจิตกําลังมีโลภะอยู่ไม่ใช่สติลโลภะกับจิตที่ทํางานไปตามโลภะเนี่ยโลภะเป็นปัใจจัยให้เกิดจิตที่มีโลภะให้ให้เกิดการกระทํากรรมตามอํานาจของโลภะกรรมฐานเนี่ยคําว่ากรรมฐานตัวดีนี่แหละทําด้วยโลภะอยากปฏิบัติ อยากปฏิบัติลงมือทากรรมฐานะระหว่างที่ทำกรรมฐานตลอดอยู่นั้นนะจิตเจอด้วยโลภะเพราะโลภะกับกรรมกิเลสกับกรรมกิเลสเขาเรียกเป็นสหาชาติปัจจัยกับกรรมหมายถึงว่ามันเกิดร่วมกันกิเลส ท, ทำให้เกิดการกระทำกรรมระหว่างที่กระทำกรรมก็มีกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นพอเราอยากปฏิบัติเราก็ลงมือปฏิบัติ ระหว่างที่ลงมือปฏิบัตินั่นแหละความอยากปฏิบัติยังครอบงำอยู่ยังบงการอยู่จิตของเราไม่ได้มีสติจริงจิตจิตเรามีกิเลสนี่อะไรเกิดขึ้นนะ่ะอยากปฏิบัติทุกต้องเกิดเพราะว่าความอยากเป็นตัวสมุทรไทรเราก็อึอดอัดเราก็ลำบากแต่ถ้าจิตของเรามีกิเลสเรารู้ว่ามีกิเลสเราไม่อึดอัดเลย พอสติไปลาลึกรู้เข้าสติเป็นกุศลไม่มีความทุกข์ไม่มีความอึดอัดรู้ได้สบายทำอะไรอเออปฏิบัติเก่งนะใช้ได้ใครสอนพี่สาวเหรอเออเก่งเก่งกว่าพี่สาวแล้วมั้งอิจฉาไหมอิจฉาหรือดีใจ เออดีใจดีใจนะเป็นมูซี่ตาดีใจกับอิจฉาใกล้กันนะ <S <S ยินดีกับเขาเนี่ยยินดีด้วยยินดีด้วยพักจะอิจฉานะครูสอนก็เออคูสอนนี่ยพลิกเร็วมากเลยค่อยรู้ให้ทัน <S <S ดูออกไปรู้ไหมรู้ให้ทันนะหลงดูหลงดูก็ใช้ไม่ได้เอาอีกแล้วรู้ไหม ตั้งท่าดูแบบนี้รู้ให้ทันความปรุงแต่งนะรู้ลงไปปัจจุบันทีละขณะทีละขณะแย่คิดเยอะนะสงสัยรู้ว่าสงสัยไม่เอาไม่นั่งคิดเอานะโยธรรมร้าเออทำรู้ไหมไม่ทำกรรมฐานทำด้วยโลภะดูออกไหมอยากสะกิบัติอยากมากทุกข์มาก นี greens, père, the Gente, the ่แม้ไล่มาทางนี้ละเริ่มเริ่มไล่มาด้านนี้ละวแข็งยังทางนี้มาเด็กไหนคนนี้นี่มากับแมวเลยออกมากระโยนไม่มากับสมพงเนี่ยอ้าวเชิญถาม นานๆถึงจะให้ถามสักทีนวเนี่ยอืมอ๋ออืมถ้าเราไปรู้เรื่องที่เราคิดนะอืมเวลาคิดอะไรเนี่ยรู้เรื่องใช่ไหมรู้เรื่องที่คิดใช่ไหม เถ้าคิดแล้วไม่รู้ว่าคิดนี้ลเละเผลอนะเรื่องใจลอยไปเลยคิดอะไรก็ไม่รู้เรื่องคือการการที่ตาหูจมูกลิ้นกใจใ จ, ใจกระทบอารมณ์เนี่ยมันมีสองลักษณะลักษณะหนึ่งอย่างการฟังยกตัว อ, อย่างการฟังเนี่ยมีสองลักษณะฟังเอาเนื้อความอันนี้ต้องฟังไปคิดไปฟังให้รู้เรื่องอีกฟังหนึ่งเนี่ยฟังเจริญสติ ได้ยินเสียงกระทบผูแล้วก็ดับไปเลยไม่รู้เรื่องหรอกเวลาเราดูคนเราเห็นคนเดินมาเราไปดูเขาถ้าเราหลงดูเนี่ยจิตเราวิ่งไปที่เขาเราก็จะเริ่มแปลละเริ่มพันจัด อ, อันนี้ผู้หญิงนี่ผู้ชายชื่อนี้ชื่อนี้ข้อมูลเก่าๆ ก, ก็ขึ้นมานิสัยอย่างนี้ด้วยเสร็จแล้วก็กิเลสเกิดชอบไม่ชอบนี่เรื่องหลงดูแต่ถ้าเราดูเฉยๆ เ, เราจะเห็นสักแต่ว่าเห็นเราเห็นสีเท่านั้นเองเห็นรูป เห็นสีที่มันตัดกันเป็นรูปร่างอย่างนั้นอย่างนั้นตรงที่ว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยคือความคิดของเราคือสมมุติบัญญัสนี่อาการเห็นทางตาทางหูก็เหมือนกันหมดคือมีสองแบบแบบหนึ่งหลงไปดูหลงไปดูก็ไปหลงสมมุติบัญญัตแว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าไม่หลงไปดูก็สักว่าดูถ้าสักว่าดูก็เห็นรูปเห็นเป็นสีตัดกันเวลาฟังเสียงก็เหมือนกันถ้าฟัง เอาเนื้อความฟังรู้เรื่องนี่ก็ฟังเอาสมมุติบรร ญ, ญัตรู้ว่าพูดเรื่องอะไรอีกฟังหนึ่งเนี่ยฟังแล้วเห็นได้ยินเสียงสูงสู ง, สงต่ำตํำต่ะจิตไม่ปรุงแต่งอะไรก็ได้ยินไปเสียงอันนี้เป็นสภาวะของเสียงนี้พอมาถึงทางใจเอาใจคิดเวลาเราหลงหลงคิดเนี่ยก็คือเราไปรู้เรื่องที่เราคิดแต่เราไม่รู้ว่ากําลังคิดอยู่เราลืมตัวเราเอง สังเกตไหมเวลาเราคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดเนี่ยเราลืมกายลืมใจของเราเมื่อนเราหายไปจากโลกทั้งกายทั้งใจหายไปหมดเลยนี่เรียกว่าหลงหลงคิดแต่ไม่ใช่ไปบังคับตัวเองไม่ให้หลงนะยังโยกลัวหลงคิดโยกลัวหลงหายไปโยก็ตรึงความรู้สึกไว้กับกายแต่ก่อนเนี้ยะนั้นผิดอีก เราค่อยดูใจของเรามันแฉลแวบแวบแวบไปเรื่อยๆนะหัดดูตรงนี้แวบไปบางทีก็แวบไปเพ่งแวบไปบางทีก็แวบไปคิดแวบบางทีหนีไปเลยไปทําอะไรก็ไม่รู้แวบทีหนึ่งไปอดีตไปอนาคตไปอเมริกาไปอะไรก็ได้หมดเลยม่นคอยแวบแวบแวบไปได้เราค่อยรู้ทันมันถ้ารู้ทันมันก็คือไม่หลงถ้ารู้ไม่ทันมันก็หลงไป ถ้าฟังเอาเนื้อความนะก็ก็แล้วแต่เรานะถ้าฟังเอาเนื้อความก็เรียกฟังในเชิงปริยัติฟังเอาเนื้อหาสาระเบื้องต้นก็ต้องฟังเอาเนื้อความก่อนจะได้รู้ว่าเอาปฏิบัติจะต้องทำยังไงพอลงมือปฏิบัติเนี่ยฟังเสียงแนละ้วไม่ใช่ฟังเนื้อความแต่ว่าอย่างเวลามาที่เนี่ยสมาชบับสอน บีท่ทีจะสอนปริยัตินิดหน่อยนะก็จะเข้าเรื่องปฏิบัติจะให้หัดดูสภาวะเผลอไปแล้วนอ้อง mm hmm. อย่าหลงไปนะแค่นั้นหลงแล้วนะ mm hmm. เข้าใจไหมเนี่ยเขาเข้าใจหลงคิดละอยงคนนี้อืมนะมันอย่างนั้นแหละมันไปเกิดหนีไปเกิดนั่นแหละ mm hmm. อยากพูดรู้ไหม เออดูความอยากเห็นแรงผลักนะเห็นไหมแรงดันเคลือกใหญ่ขึ้นมานะมันผลักดันจะให้พูดให้ได้เลย <c oughs> อืมออกโกรดมันดูง่ายโอเคถ้าเห็นโกรธก็ใช้ได้แล้วตัวอื่นก็เห็นแบบเดียวกันนั่นแหละนี่ความโกรธเป็นอารมณ์ที่หยาบที่สุดในบนไดกิเลส ท, ทั้งหลายนะโทสะจะหยาบห ย, ยาบดูง่ายที่สุด โมหะคือหลงนี่ดูยากที่สุดเลยอย่างเราเผลอแวบไปนี่เป็นโมหะาะฉะนั้นดูยากถ้าดูโมหะได้นะราคะโทสะไม่มีความหมายนะราคะโทสะเป็นลูกของโมหะต้องหลงก่อนถึงจะมีราคะโทสะได้นี้เบื้องต้นเรายังไม่เห็นตัวพ่อตัวแม่กิเลสเราเห็นตัวลูกกิเลสที่โทสะก็ยังดีนะฝึกดูไปเรื่อยๆต่อไปทีแรกเราจะเห็นได้โทสะแรง ต่อมาเนี่ยขัดใจเล็กๆน้อยๆเราก็จะเริ่มเห็นต่อไปพอใจนี่พอใจคือหลักะพอใจเกิดเราก็จะเริ่มเห็นต่อไปใจเราหลงสายออกไปนิดเดียวเราก็มองเห็นแล้วนี่เห็นโมหนะแล้วจิตมันจะค่อยประนีขึ้นสติปัญญาจะประณีขึ้นนะเบื้องต้นเห็นโทสะได้ดีที่สุดแล้นะเห็นถูกต้องแนละ้วนู่นน่ะหลงมือไหมหลงคิดไปแนละ้ว เออหลงเยอะเนาะ <c oughs> เราหลงกันทั้งวันเออชอบคิดพอทราบไหมชอบหนีไปคิดหนีไปคิดนะแต่หลงนะสัง เ, เกตไหมตอนเราคิดเนี่ยเราลืมตัวเราเองพอเราคิดเราก็ไปอยู่กับสมมุติบัญญัติเราก็ไม่เห็นรูปเห็นนามไม่เห็นกายเห็นใจเราทํำวิปัสสนาไม่ได้เนี่ยหนีไปคิดทราบไหมยเป็นแวบไป ไม่ห้ามมันนะห้ามไม่ได้เราฝึกเพื่อจะรู้สภาวธรรมตามความเป็นจริงไม่ใช่ฝึกเพื่อจะบังคับทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะบังคับแต่เราฝึกเพื่อจะรู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้ว่าบังคับไม่ได้ฝึกจนรู้ว่าบังคับไม่ได้นะไม่ใช่ฝึกจนบังคับได้ไม่เหมือนกันนะแมวแยกแยกได้ใช่หมตรงนี้ <Pro Bull s> แต่เดิมเราฝึกเพื่อจะบังคับนึกออกไหม ที่ผ่านมาเราฝึกก็จะบังคับให้ได้จิตฟุ้งซ่านบังคับให้สงบจิตไม่รู้สึกตัวจะบังคับให้รู้สึกตัวนี่เราจะพยายามบังคับแต่ความจริงแล้วศาสนาพูดเรียนเพื่อให้เห็นว่ารูปนามเป็นของที่บังคับไม่ได้บังคับไม่ได้คืออนัตตาเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือไม่มีใครบังคับมันได้หรอกฉะนั้นเราไม่ได้เรียนเพื่อบังคับนี่มันใจลอยแวบดูหไหมมันนีไปแวบ เนียเราคอยรู้ไปอย่าให้มันใจลอยนานใจลอยเล็กๆน้อยๆพอ ง, งามนีไปคิดละรู้ไหมถ้าถ้าาอไปเราไกเจ อ, เเจอคนเ ร, เราจะกับมาเราก็จะแวะแต่ทีเออ่เออเออย่างนั้นตรงตรงนี้ค่ะ เ, ออเราเราจเห็ น, นเขาใช่ใช่ เราไม่เห็นว่าใช่ใช่นั่นแนหะถูกต้องนะคือคือเห็นหมายถึงว่าไอ้ น, นั้นแนหะคือหลงนะที่รู้ว่าหลงคิดเป็นยังไงอย่างที่ว่ามานั่นนะถูกต้องนะนั้นเรียกว่าหลงคิดนะเราเห็นแต่เขาเราไม่เห็นตัวเองนะอย่างเราคิดถึงคนคนนี้หมายเราชอบคนนี้ใจแวบไปอยู่ที่เขาเห็นหน้าเขาชัดเลย ความชอบเกิดขึ้นในใจเราตอนนี้เราไม่เห็นเราเห็นแต่เขาเนี่ยเรียกว่าหลงะหลงคิดก็เป็นแบบนี้แหล ะ, ะห้ามไม่ได้น ะ, ะเราจะเรียนจนกระทั่งเห็นว่าห้ามไม่ได้แต่ถ้าพอหลงไปเนี่ยอกูศนเกิดทันทีที่หลงแล้วอกูศนเกิดเรียบร้อยแล้วเพราะโมหะเกิดก่อนแล้วก็ไปคิดคิดแล้วความพอใจเกิดที่ราคะเกิด คือพอราคาเกิดอยากไปหาอยากไปเจอแหมจะได้ไปคุยกันสักหน่อยนะจิตใจชัดกังวนกวังวายแล้วมันมีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้วนี่เราเฝ้ารู้ไปจนเห็นกลไกการทํางานของจิตใจเรารู้ว่าความทุกข์เกิดเพราะอะไรไงคุณใก่ลอยไปทราบมไหมนีห่หัดอย่างเนี้ยนะมันหนีไปค่อยรู้มันหนีไปค่อยรู้ไม่ห้ามนะไม่ห้ามไม่บังคับไม่กดข่ม รู้ลูกเดียวตามรู้มันไปหมายถึงว่าให้มันเผลอไปก่อนแล้วค่อยรู้อย่าไปจ้องไว้ก่อนกายานุปัสสนาก็ตามรู้กายจิตานุปัสสนาตามรู้จิตตามรู้ไปหมายถึงให้มันเผลอไปแล้วก็รู้เผลอไปแล้วก็รู้ <c oughs> เออใช่นะคือเราไม่ต้องทำงานมากรู้สึกแมบางคนรู้สึกว้าวี <c oughs> รู้สึกว่าเวนะนะไม่ได้เกาะ อ, อะไรเลยวงโปเคยได้ยินที่อวงโปไหมคําสอนของฮวงโปมีอยู่บทหนึ่งนะบอกว่าคนทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่ยึดตัวรูปก็ต้องยึดนามนะถ้าจะปล่อยทั้งรูปทั้งนามเหมือนกับไปยืนอยู่ริมเหวนะแล้วก็ปล่อยทั้งสองมือนะกลัวตกเหวคือกลัวจะพลัดลงไปในความไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นต้องเกาะอะไรไว้แล้วสบายใจ ไม่รู้หรอก ว, ว่ากําลังสร้างทุกข์อยู่กาลังมีภาระอยู่ทุกข์เกิดจากอุปาทานแล้วอุปาทานก็คือการเข้าไปเกาะนั่นแหละพอไม่ได้เกาะอะไรแล้วกุ่มใจมวิสิกขาเกิดรู้ว่าวิสิกิขาเกิด น, นะอืนั่นแหละเรารู้ว่าสงสัยนั่นะถูกต้องแล้วคือรู้สภาวธรรมตรงตามความเป็นจริงแล้วรู้ปัจจุบัน ความสงสัยเกิดว่าเอ๊ะที่ทำอยู่นี่ถูกหรือผิดนะรู้ว่ากำลังสงสัยรู้เรียบร้อยแล้วแต่พอความสงสัยเกิดรีบคิดใหญ่เลยนี่หลงเรียบร้อยแล้วถูกหลอกเรียบร้อยแล้วพอเข้าใจไหมอย่างนี้ไม่ยากเลยง่ายสุดขีดนีไปคิดแล้วทราบไหมใจนีแวบแนบ่แวบไปรีบรู้ทันมันหัดรู้ตอนนี้เป็นขั้นหัดรู้เรียอ ตามรู้ไปได้วยให้มันหนีไปแล้วก็ค่อยรู้บางคนมาถามบอกว่า เ, เห็นแต่ตอนมันเกิดไปแล้วกิเลสอ่ะไม่เห็นตอนเกิดกําลังเกิดนี่ไม่เคยเห็นบอเห็นไม่ได้หรอกใครก็เห็นไม่ได้เพราะขณะที่กิเลสกำลังเกิดอยู่เนี่ยสติมีไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่เห็นหรอกกับกิเลสเกิดแล้วก็มีจิตที่มีสติทําให้ชัญญยาเกิดขึ้นมาไปรู้ว่าจิตตะกี้นี้มีกิเลส เพราะฉะนั้นเราเห็นกิเลสนี่เราเห็นตามหลังจะเห็นลงปัจจุบันไม่ได้ไม่ละไม่ออืืมมคือคื อ, ค อ, คอแล้วแต่แล้วแต่วิทยายุทธเรา <c ười> สมมติว่าไม่ไหวแล้วจะต้องปาดคืนล้นะนะ อย่างนี้ก็หาทางละไว้ก่อนพุโทโธพุทโธอะไรก็โกรนน้อยโกรนน้อยเลยเอาไว้ก่อนนะ <c oughs> ยิ่งไปอยู่บ้านหรืออยู่วัดแล้วสงบนะออกข้างนอกยิ่งไม่สงบนะเพราะเราอยู่ในที่เงียบๆ เ, เก็บกดมันสบายนะ้พอออกมาข้างนอกเก็บกดไม่ทันกรนะทบเราจะแรงกว่าชาวบ้านก็เพราะฉะนั้นพวกเข้าวัดนะ่ะที่โมโหกว่าพวกไม่เข้าวัดนะจะร้ายกว่าคนอื่นเขาอีก มันไปบังคับไว้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนจิตใต้สํานึกนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนจิตใต้สํานึก<ต>ไม่มีจิตนั่นแหะมีหน้าที่สํานึก <c oughs> แต่ว่าอะไรที่อยู่ใต้ใต้สํานึกอนุสัย <c oughs> อนุสัยกิเลสไม่ใช่จิตหรอก <c oughs> แต่ว่าอนุสัยนะั้นมาบงการพฤติกรรมมาบงการจิต นะไม่มีนะจิตใต้สำนึกจิตเหนือสํานึกจิตประลาดประลาดเดี๋ยวนี้ชอบบรรจัดศัพท์เยอะๆเลยกลุ้มใจไหมกลุ้มใจรู้ว่ากลุ้มใจนะที่เรากลุ้มใจเพราะเราอยากเรียนให้รู้เรื่องแล้วมันไม่รู้สักทีแลนะ้ยิ่งคิดยิ่งกลุ้มหรือไม่ความกุ้มเกิดจากอยากรู้อยากเข้าใจใช่ไหมอยากเข้าใจแนละ้วฟังก็ยังไม่เข้าใจก็เลยกลุ้มใจ กลุ้มใจรู้ว่ากําลังกลุ้มใจดูลงไปเลยความกลุ้มใจไม่เที่ยงหรอกเห็นไหมความกลุ้มใจน้อยลงไปแล้วดูออกไหมเห็นไหมมันไม่เที่ยงมันเกิดดับเดี๋ยวมันก็แรงเดี๋ยวมันก็เบานี่ธรรมะเราเรียนกันอย่างนี้เราไม่เรียนด้วยวิธีนั่งคิดเราไม่เรียนด้วยวิธีนั่งถามการถามเราก็ได้สุดตารามยะปัญญาปัญญาจากการฟังปัญญาจากการอ่านส่วนการคิดได้แค่จินตามายะปัญญาปัญญาจากการคิด การรู้สภาวะนี่เป็นภาวนามยะปัญญาเป็นวิธีที่จะเกิดความรู้อีกชนิดหนึ่งเลยคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นสับสนมากเลยกลุ่มใจาอกลุ่มใจยิ่งพยายามคิดยิ่งอยากจะรู้ก็ยิ่งกลุ่มหนักแต่ถ้ากลุ่มใจรู้ว่ากลุ่มใจเห็แม้ว่ามันคลายมันแสดงไตรลักให้เราดูในการปฏิบัติเขาทำกันอย่างนี้อะไรเกิดขึ้ในในจิตในใจรู้ลงไปตรงๆกิเลสทุกตัวหลอกให้เราคิด ง่ายโยึดดถือออจิิตทีีีี่่เเเราามมมคคววห็นผยูงุณแ เราไปคิดว่าเราจะบรรู้ทําได้ถ้าจิตของเราดีจริงๆไม่มีใครบรรลุทําได้ด้วยการทำจิตให้ดีแต่บรรลุทําได้เมื่อเห็นว่าจิตนั้นเป็นของบังคับไม่ได้จิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับการที่เราหวงแหนจิตที่ดีนั่นนะเป็นโลภะเห็นัหมเราหวงว่าเนี่ยจิตของเราจิตของเราไปอยู่ที่เขาสวนหลวงแล้วจิตของเราดี กลับบ้านจิตของเราไม่ดีแม้จิตของเรามันตัวใหญ่แต่ถ้าเราเห็นว่าขนาหนึ่งจิตดีะมากระทบอารมณ์อีกช น, นิดหนึ่งจิตไม่ดีเพราะจิตนี้บังคับไม่ได้ดีตลอดไม่ได้นี่คือปัญญาเห็นว่าเขาไม่เที่ยงเห็นว่าเขาบังคับไม่ได้โบยึดถือความเห็นน้อยลงยังยึดถือความเห็นของตัวเองอะ่ะอืมน้อยลงก็ทุกข์น้อยลงนะ ยืนเยอะก็ทุกเยอะดีแล้วฝึกไปางงั้นแนะ่ะดีอยู่แล้วอืมอื ม, น, น, น, นะอมนั่นแหละห็นไปนะดีแล้วอืมนั่นแหละแล้วก็ดูลงไปเลยว่าบังคับไม่ได้หรอกนะไม่ให้ฝึกเพื่อให้จิต ด, ดี แต่ฝึกให้เกิดปัญญารู้ความเป็นจริงเอา้าหลงไปแล้วชมอยู่ตะกี้นี้ต้อขอถอนได้ไหมมั <c oughs> นไม่แมวใจมันหนีไปดูออกไหมมันเผลอไปหายแวบแวบเรารู้ว่าแวบเรื่องปฏิบัติเสร็จแล้วนะไม่ใช่ว่าทํายังไงจะไม่แวบนะคิดว่าทํายังไงจะไม่แวบนั่นจิดเลยมีกิเลสหลอกละหวงแหนจิต อย่าไปนั่งเช่งอย่างนั้นนอถอยขึ้นมาอย่าหลงดูอย่างนี้เรียกหลงดูใจเราถลำไปรู้ว่าถลำไปเนี่ยรู้สภาวะรู้รู้จิตปรรมะจิตไปเกิดทางใจรู้ว่าไปเกิดทางใจจิตหลงอารมณ์ทางใจรู้ว่าหลงอารมณ์ทางใจอ่าโยนทิ้งไปนะคนละเรื่องกันอ่ะ ที่ยังเสียได้มันไม่ถึงขนาดผิดหรอกแต่ว่าส่วมากไปติดสมถะเพราเราไม่เห็นสภาวะแม้เราลงไปนอนแช่เราไปแช่ในอารมณ์ันเดียวอยู่อย่างนั้นนะแล้วเราคิดว่าเป็นนิพพสนาไม่ใช่หรอกลงไปแช่อยู่เป็นสมถะเสร็จแล้วก็เกิดอาการของสมาธิต่างๆเห็นเหมือนอะไรไต่เหมือนเข็มแทงเหมือนอย่างงี้เห็นกระดูกเห็นในสิ่งเหล่านี้ไปเรื่องสมถะเพราะเราลงไปนอนแช่ เนี่ยต้องอย่างนี้ถึงจะดีตรงที่ไม่ได้จับอะไรนั่นแหะแต่รู้แล้วก็ไม่เผลอนั่นแหละไม่เผลอแต่ว่าไม่ได้ยึดอะไรก็จะรู้สภาวะทั้งหมดเลยตามที่มันเป็นนล้เห็นเลยมันไม่ใช่ตัวเราในทันทีนั้นเลย <Yeah. S 1> คือก่อนจะลงมือปฏิบัติเนี่ยต้องศึกษาก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอยังไงสอนหลักของการปฏิบัติยังไง ถ้าเราไม่เรียนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเนี่ยบางทีเราพลาดเสียเวลาการเรียนอันนี้เรียกว่าปริยัติปริยัติไม่ใช่ว่าต้องไปเรียนอะไรมากมายหรอกให้รู้หลักปฏิบัติก็พอแล้วหลักปฏิบัติมีนิดเดียวที่พระพุทธเจ้าสอนนะธรรมะอันแรกเลยที่เป็นกรอบใหญ่เลยคือเรื่องอริยสัจถ้าเราเข้าใจอริยสัจเราจะไม่หลงทางท่านสอนบอกว่าอริยสัจสี่เนี่ยทุกเนี่ยให้เรารู้ ทุกคืออะไรคืออุปาทานขันต์ก็คือรูปกับ น, นามคือกายกับใจนี่ท่านสอนไว้ชัดเลยว่าให้รู้นะอย่าไปละนะแล้วก็จะไปรู้อย่างอื่นก็ไม่ได้เช่นไปรู้ความคิดเนี่ยไม่ได้แต่ท่านบอกให้รู้กายรู้ใจคือรู้อุปาทานขันต์ให้ไปเพ่งได้ไหมเพ่งอุปาทานขันต์เพ่งกายเพ่งใจได้ไหมเพ่งจิตไหลลงไปแช่อยู่ที่ท้องไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนท่านบอกว่าให้รู้อุปาทานขันต์ นี่เราจับหลักปฏิบัติให้แม่นแม่นท่านสอนหมอกสมูทัยให้ล ะ, ละละความอยากนะอยากปฏิบัติก็ต้องละนะต้องรู้ทันไม่งั้นพออยากปฏิบัติเราลงมือทําทําอะไรต่ออะไรวุ่นวายเลยซึ่งไม่ใช่การรู้ทุกข์นี่สอนเรื่องอริยสัจทุกให้รู้รู้กายรู้ใจไปละความอยากนะความอยากความทยานอยากของจิตคือจิตที่หลงที่ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ น, นั่นเอง ก็ค <necessary. S 2> e ือปัญหาหกตัวเวลาเราเรียนเราชอบเรียนแค่ป no, no, no, no. ัญหาสามตัวการมาปัญหาภาวะปัญหาวิภาวะปัญหาแต่ปัญหาในทางปฏิบัตินี่มีหกตัวะเราไปดูปัญหาในสติปัฏฐานนี่จะมีหกตัวปัญหาในรูปเสียงกลิ่นรสปวดตาฟ้าธรมารมกิตไหลนั่นอ่ะอย่นี้ยมีปัญหาทางธรรมารมณ์แล้วคุณมันไหลไปทางใจนี่เรียกมีธรรมะปัญหา มีชื่อนะชื่อเพาะอย่าชื่อธรรมะตัณหา <c oughs> ตัณหาอะไรก็ไม่ดีทักหนาหนา <c oughs> ต้องรู้ทันต้องรู้ทันรู้ทันไปจิตก็จะตั้งมั่นเนี่รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็รู้กายรู้ใจลงไปกายกับใจจะไม่ใช่ตัวเราในฉับพลันนั้นเลยเพราะอะไรเพราะขณะที่รู้ก็ไม่หลงคิดใช่ไหมขณะที่ไม่หลงคิดก็ไม่มีความคิดไม่มีความเห็น สักกายทิฏฐิจะเกิดไม่ได้อย่างพวกเราปฏิบัติเราอยากเห็นธรรมอยากเห็นธรรมคนน้อยก็อยากได้ดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมก็ได้เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันน่ะละอะไรละสักกายทิฏฐิคือละความเห็นผิดว่ากายกับใจนี่คือตัวเราถ้าเรามีสติอยู่เราไม่มีความเห็นหรอกเห็นถูกยังไม่มีเลยยังไม่เอาเลย งล้รู้สึกตัวขึ้นมาจิตก็หลุดออกมาจากโลกของความคิดความเห็นรู้กายลงไปกายก็ไม่ใช่เรารู้จิตจิตก็ไม่ใช่เราเพราะมันไม่ใช่เราอยู่แล้วมันไม่ใช่เดิมเป็นเราแล้วมาแก้ไขให้ไม่เป็นเรานะมันไม่ใช่เรามาตั้งแต่แรกแล้วแต่เราเห็นผิดว่าเป็นเราทาไมเห็นผิดล่ะเขาเพราะหลงอยู่ในโลกของความคิดถ้าเมื่อไรมีสติสำให้ัญญาให้มันไม่หลงไปในโลกของความคิดสักยะทิฐิไม่มี สักยติทิฏฐิไม่ใช่มีอยู่ตลอดเวลานะสักยติทิฏฐิไม่ใช่ว่าเกิดอยู่ตลอดเวลาในจิตปุถุชนก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างเด็กแรกเกิดไม่มีสักยติทิฏฐิเด็กแรกเกิดไม่มีวิจิตรฉาไม่สงสัยพระรัตนตรัยเด็กแรกเกิดไม่มีศีลแลพราปราโมทมไม่คิดจะถือศีลบำเพ็ญรดอะไรทั้งสิ้นมันคิดไม่เป็นไม่รู้หรอกว่านี่ไก่นี่เรานี่เขาก็อย่างนี้ แต่พอแต่ว่าเขามีอนุใสเขามีอาสวะกิเลสที่พอโตขึ้นมาก็ผลิด อ, อกผลมาพอกระทบอารมณ์ขึ้นมาก็หลงว่าเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาถ้าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นก็ไม่หลงอยู่ในโลกของความคิดเมื่อไม่หลงอยู่ในโลกของความคิดสักยทิที่จะมีไม่ได้เลยพอไม่หลงอยู่ในโลกของความคิดแล้ว ก, ก็รู้กายรู้ใจนี่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์นี่ รู้กายรู้ใจลงไปสิก็จะเห็นในฉับพันนั้นเลยว่ากายใจไม่ใช่ตัวเราพอเห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้าสักอายติถี่ก็าขาดความเห็นผิดขาดเพราะว่ามีความเห็นถูกนี่เราไปวาดภาพเหมืนการได้ดวงตาเห็นธรรมคือได้อะไรก็ไม่รู้ที่ลึกลับที่ยุ่งยากลึกลับห่างไกลโอ้นิพพานไกลมากเนะธรรมะาคืออะไรก็ไม่รู้ อยู่ในเงามืดยังคําไม่เจอแล้วก็กายกับใจนั่นแหละธรรมะรู้ลงไปตรงตามความเป็นจริงนั่นก็เรียกเห็นธรรมะคือเห็นว่าขันห้าเห็นกายใจไม่ใช่ตัวเราเนี่ยสักยติที่ขาดเห็นมีดวงตาเห็นธรรมแล้วถ้าถามว่ามีดวงตาเห็นธรรมคือเห็นอะไรเห็นกายเห็นใจนั่นแหละแต่เห็นตรงตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวเราความเป็นตัวเราเกิดจากความคิด ถ้าคิดแล้วมันก็เป็นเราเห็นไหมหลวงคิดอีกแล้วมันยังไม่ได้ถอนรากมันคล้ายๆย้ามันงอกเราก็ตัดย้างอกเราก็ตัดรากมันยังอยู่ไงมันก็อปลุงให้นมาอีกออเดี๋ยวไปหา คนรู้ไม่มีเพรไม่มีคนหาไม่เจอหรอกหลวผปู้ ด, ดูลสอนอย่าใช้จิตแสวงหาจิตอย่ไปหามันเข้ารู้รไปเวทนาเกิดแล้วก็ดับเวทนาถูกรู้เวทนาไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ถ้าเล่นเวทนาก็ต้องทนหน่อยนะในสติปัฏฐานสี่นะี่ถ้าจะเล่นเวทนานุปัสสนาต้องอึดไวนะ้เช่นนั่งโต้รุ่นั่งไปเรื่อยเลยดูเวทนาว่าเวทนามันจะเกิดดับจริงไหม เคยอนประวัติครูบาอาจารย์อยู่องค์หนึง่งท่านไปนั่งวนแคล่พอนั่งลงไปแม่ไมผ่มันก็แยกออกนิดหนึ่งนั่งมันก็หนีบหนีบเนื้อติดไว้เลยนะท่านก็ไม่ลุกขึ้นนั่งดูเวทนาโต้รุง่ง <c oughs> หรืออย่างสายท่านคอินกล้าอะไรเนะี้ยไปเล่นเวทนาท่้นต้องทนเอานะเล่นเวทนาก็เห็นว่าเวทน า, า, น า, าไม่ใช่เรา เป็นนามธรรมาอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมามีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับไม่ใช่สังเกตไหมว่าพอเรารู้สึกตัวเราดูลงไปเอ้ไอ้เนี่ยเป็นเราไหมไม่เป็นใช่ไม้มเราไอ้นี่มันถูกรู้อยู่มันไม่ต้องคิด่ว่าปวดเป็นเราหรือไม่เป็นเรานนี้แทนที่จะเป็นขวดก็ามารู้กายเี้ขาจะเห็นกายเหมือนกับขวดใบหนึ่งไม่เป็นเราในฉับรันนั้นแหละถ้ามีสตินะ แต่ถ้าหลงคิดอยู่ว่าเราทั้งนั้นเลยขนาดนี้นี่ก็ขวดของเรา่เป็นตัวเราไม่ได้มันก็เป็นของเราอีกเอาเอาจนได้นี่คนทั่วๆไปก็คิดว่านี่นี่คือตัวเราพอผู้เริ่มจเจริญสติเขาจะเห็นว่าออร่างกายเป็นของเราไม่ใช่ตัวเราหรอกเห็นว่ามันเป็นของเราแต่จิตนั่แหละเป็นตัวเราฝึกมากเข้ามากเข้าอ้อกายไม่ใช่ของเรา ก็ไม่ใช่ของเรานอันนี้ได้สุดาบันดูไปดูไปโอ้อกายนี้ถ้ายึดเราทุกข์นะไม่ยึดกายได้ผ้านาคาดูไปที่จิตอ๋อจิตนี้ถ้าไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์นะปล่อยวางจิตได้ผ้าอรหันงั้นมันมีอยู่สองตัวนะระหว่างความเห็นกับความยึดถ้ามีความเห็นถูกว่าไม่ใช่เราอนนี้สักยติที่ขาด ถ้าไม่ยึดถือก็เมื่อนลำดับขึ้นไปหลงนะอย่างนั้นมีเราแน่นอนเลยอย่างน้อยก็เราคิดเราจงใจเปลี่ยนไหมหรือมันเปลี่ยนเองมันคิดก็รู้ว่ามันคิดนะรูทันแต่ที่จริงแล้วเบื้องต้นเนี่ยท่านบอกให้รู้อารมณ์เดียวเอากายกากายอันเดียวเวทนาเขเวทนานเดียวจิตก็จิตอันเดียว การทำยังไม่ต้องไปทำว่าทำก็คือรูปนามก็คือที่รวมของกายเวทนาจิตเบื่อต้นฝึกเบื้องต้นจะรู้กายรูปเดียวก็ได้นะรูปยืนเดินนั่งนอนรู้ไปรูปฟังรูปยุบไปอะไรรูปไปเห็นรูปเดินรูปนั่งรูปไปรูปหายใจเข้ารูปหายใจออกรู้ไปเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดสติเช่น พอเราหัดรู้เ้ื่อยๆตอนนี้กำลังนั่งตอนนี้กำลังเดินต่อมาเราใจลอยไปใจลอยแล้วเราเผลอขยับตัวนสติจะเกิดเองจะเกิดรู้ทันว่าอ้ากาลังเคลื่อนไหวนี่เรียกสติเกิดเองอย่างนี้สติตัวจริงเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยเบื้องต้นทำไปเพื่อให้เกิดสติมีสติบ่อยๆถ้าเราหัดรู้กายนะเรานั่งอยู่ก็รู้ยืนเดินนั่งนอนรู้ทั้งวัน จะไม่มีช่องว่างเราไม่ค่อยมีวิญาบทที่เกินจากยืนเดินนั่งนอนใช่ไหมไปกระโดดกรบอะไรเงี้นานๆยังมีสีเลยงั้นถ้าดูอารมณ์ของสติปัฏฐานจะเห็นว่าเป็นอารมณ์ที่เกิดประจำหายใจเข้ากับหายใจออกก็มีเท่านี้ถ้ารู้หายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวก็ไม่มีช่องโหว่แล้วยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวไปด้วยก็ไม่มีช่องโหว่จะดูสุขทุกข์เฉยๆนี่ยเวทนา ก็หมดแล้วไม่มีช่องโหว่แล้วดูได้ทั้งวันแล้วแหละอืมไม่ไม่มีช่องโหว่ให้ขาดสติเพราะว่าเราจเจริญสติปัฏฐานเพื่อให้มีสติเนีไงขาดสติแล้วใช่ไหมมีวิคิดแล้วนี่อารมณ์ของสติปัฏฐานถ้าสังเกตให้ดีจะเป็นอารมณ์อันแดอันหนึ่งก็พอเกิดตลอดเวลาอยู่แล้วนี่แต่พอเราชงนี้ชํานาญขึ้นเรามีสติแล้วเนี่ย จิตจะไปรู้กายก็รู้ทันกายจิตจะไปรู้จิตก็ตรู้ทันจิตคราวนี้มันวิ่งไปทั่วเลยเดี๋ยวรูปเดี๋ยวนามนะนั้นเราเข้าไปถึงธรรมานุปัสสนานะมันไปรู้ได้สารพัดเลยอจิตที่กลับเนี้ยนะยังเป็นความเข้าใจผิดจิตเกิดดับนะส่วนมากเราจะคิดว่าจิตมีดวงเดียวเหมือนแมงมุ ม, มอยู่กลางใหญ่ เดี๋ยวเขาวิ่งไปทางนี้แล้วก็กลับมาแล้วก็วิ่งไปทางนี้ น, นั่นเป็นความเห็นผิดที่จริงจิตเกิดดับผิดเกิดทางตาแล้วก็ดับผิดเกิดทางหูแล้วก็ดับผิดเกิดทางใจแล้วก็ดับผิดเกิดดับถ้าเข้าใจเรื่องจิตเกิดดับเราจะไม่ไปดึงไม่งั้นพอเราหลงทางตาเรารู้ว่าจิตไหลไปทางตาเราจะไปดึงคืนพอดึงมาปุ๊บจะแน่นอึดเลยทุกจะเกิดทาไมทุกเกิดล่ะเพราะมีความอยากจะดึง เพราะงั้นจิตเป็นของเกิดดับอืงเราดืา่มน้อืมเราจับที่เท้ว่าเราดื่มนตรงที่เราคิดว่าเราืมน้ำเนี่ยค่คือการดื่มน้ำใช่ใช่ถ้าเรารู้สึกถึงความกระหายน้าของเรานั่นน่ะรู้สภาวะรู้ทุกขเวทนาที่เกิดรเราก็ไปดื่มน้าเออเวทนาตัวนี้ดับ นี่รู้สภาวะแต่ถ้าโอ้หิวน้ำายังเลยนะหาน้ำสักขวดก็จะดีอะไรเงี้ยนี่หลงคิดแล้วแต่ว่าพอรู้ทันแล้วทำยังไงหิวน้ำหิวน้าไปหาน้ำดื่มนะไ ม, ไม่ใช่สักแต่รู้แล้วแบบงอมืองอเท้าหมดน้ำใสเนาะสังเกตอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเราถ้าเราไม่ลงกันบันเรื่สินด้านหลายรอบบางบ บาเรอบเราเร า, เร า, เรามีความคิดอืมก็เลยที่สร้างบ้นทรงนี้ค่ะคือความแตกต่าง็คือเราเคยชินนะเคยชินก็ทํำไปอย่างอตงาัตโนมัติจริงจิตมันสั่งแต่เราไม่ได้ไปสนใจตอนที่จิตมันสั่งให้เดินถ้าจิตไม่สั่งมันเดินไม่ได้จิตมันต้องสั่งแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจตรงนี้ เช่นเราลังคิดอะไรเพลินเลินใหมผอ่านหนังสือเพลินจอมันกระหายน้ําขึ้นมาจิตมันสั่งให้มือไปหยิบแกวน้ําแล้วแต่เรายังมัวสนใจมันสั่งแว๊บเดียวแล้วเราก็มาสนใจเนี้นี้รูปนี้ทํางานตอบไปได้ทําไมจิตสั่งขนาดเดียวจิตปเป็นเครื่องอื่นแล้วรูปยังทํางานได้อีกเพราะว่ารูปมันอายุยืนกว่าจิตรูปมีอายุทั้งสิบเจ็ดขนาดจิตจิตเกิดวับเดียวจบแล้วมันสั่งเรียบร้อยแล้วมันเลิกแล้ว มัไปทําเรื่องอื่นแล้วไอ้รูปนี้เพิ่งทํางานตามของคุณถ้าจะให้ปฏิบัติง่ายนะอย่าคิดมากอย่าอยากได้ยธรรมะหยุดการสแสวงหาซะแล้วก็รู้ไปจิตใจขนาดนี้มีความสุขก็รู้จิตใจกังวลก็รู้กระสรับกระสายก็รู้เฝ้ารู้ไปเรื่อ ย, ร, อยรู้สบายๆนะอย่าเอาความคิดความเห็นเข้ามาใช้แล้วจะง่าย หลายคนที่พยายามมากยิ่งพยายามยิ่งไม่สมเร็จหรอกนี่เป็นเคล็ดลับเลยนะเคล็ดลับตัวนี้่าจะเข้าใจน้านาน มันเป็นโทสะตัวหนึง่งเป็นกิเลสไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องเสียใจเสียใจก็ห้ามไม่ได้นะเพราะกิเลสก็เป็นอนัตตาเร่องนี้เห็นยุงตอนที่ตาเห็นยุงถ้ามีสติเกาจะเห็นว่าตาเห็นรูปคำว่ายุงนี่คือส ม, มุิบัญญัตินี้พอเราจำได้ว่านี่เป็นยุงบัญญัติว่ายุงเนี่ยอนุสัยเก่าเราเกลียดมัน โทสะมันก็เกิดขึ้นมาอยากโทสะเกิดเราก็อยากตีถ้าโทสะเกิดขึ้นมารู้ทันว่าโทสะเกิดอยากจะตบยุงรู้ว่าอยากตกถ้ารู้ไม่ทันอีกจิตมันสั่งมือแล้วมือกำลังเคลื่อนไปสติรู้ทันว่ามือไปแล้วอาจจะเบรกไม่ทันก็ได้นะแต่จิตรูดออกมาแล้วแต่มือมันทำงานตามที่จิตมันสั่งไหมรูปเก่ามันยังไม่ทันดับรู้ว่ามือเคลื่อนตกแะลงไป เอาแบนไปแล้วนะพอแบนไปแล้วโอ้ยตายเราไม่น่าเลยนี่คือความคิดพอคิดว่าเราไม่ควรทําอย่างนี้เลยโทสะเกิดเสียใจเสียใจรู้ว่าเสียใจเห็นไหมว่าถ้าเราจเจริญสติเป็นในะแค่ตกยุงทีเดียวเนี่ยโอ้โหจเจริญสติได้ทีบสติทันตรงไหนเอาตรงนั้นไม่บังคับไม่ใช่ตาเห็นยุงเขาบอกไม่ใช่ยุงหรอกนี่รูปอย่างนี้ไม่เอานะ อั น, นี้หลอกหลอกตัวเองแนละ้วนะยุงก็ยุงสนะิอยากตบก็รู้ว่าอยากตกนะเงื้อมือรู้ว่าเงื้อมือตกไปแล้วรู้ว่าตกไปแล้วแบนแล้วรู้ว่าแบนแล้วเสียใจรู้ว่าเสียใจนี่อารมณ์เปลี่ยนทั้งเยอะเนะี่ยตามองเห็นนี่เกิด อ, อารมณ์ทางตาใช่หไหมเก็ดแล้วก็ามาตัดสินทางใจนะเกิดโลภเกิดโทสะนะโทสะอยากตก ตกลงไปเกิโทสะอีกตัวหนึ่งคือเสียใจแม็กิเลศซ้อนซ้อนซ้อนขึ้นมานะเพราะนั้นสติเราฝึกให้ไวขึ้นไวขึ้นเราจะเห็นแต่เราอย่าไปหน่วงอารมณ์ให้ช้าลงนั้นที่ฝึกเนี่ยส่วนมากชอบไปทําอะไรให้ช้าลงกิเลสไม่ช้าด้วยหรอกต้องฝึกสติให้เร็วขึ้นไม่ใช่ฝึกอารมณ์ให้ช้าลงจิตเบิกบานรู้ไหมจิตเบิกบานรู้ว่าเบิกบาน ถ้าฝึกได้ดีว่าไงไม่ใช่การที่เราดูว่าเราอยากตกแล้วเราบอกว่าอยากตอ่าเงาาี้ยไว้นั่นภาคแล้วนะเหมือนคนพักหนังนะอยากตกน้ออยากตกน้อยใช่ไหมใช่คับทีราดว่ายุ่งอยากเราอยากตกแต่ทีเราดูว่าคือเราห้ามไม่ได้กระทั่งความคิด ความคิดไม่มีสภาวะความคิดไม่ใช่รูปไม่ใช่นามก็จริงแต่ความคิดเป็นบัญญัตินะบัญญัติเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นความคิดก็เป็นของที่ห้ามไม่ได้ใครห้ามความคิดได้ไม่มีโยเว้นแต่หนีไปทำสมถะเพราะฉะนั้นใจมันจะภาคห้ามไม่ได้เหมือนภาคก็รู้ว่าเหมือนภาคไงคุณแมวทำอะไรเออเข้าไปไออขางไไนรู้ว่าเข้าข้างหนนะ นี่เราหัดรู้ตามรู้ตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้เรียกปฏิบัติอย่ากุ้มใจเนาะบางคนเาเรียนตั้งยี่สิบปีเนี่ยเถึงจะรู้เรื่องบางคนยี่สิบปีก็ไม่รู้เรื่องเฮเฮียยเฮ้ยเเฮเยยเฮ้ยเฮเเเเเยเเยเย นะเคร่งเครียดนี่ต้องจิตเป็นอกุศลแล้วถึงจะเครเครียดได้จิตที่มีกุศลเนี่ยจะรู้ตื่นแล้วเบิกบานรู้สึกไหมมันเบิกบานมันแช่มชื่นมันเบิกบานมันเบานะนี่เรียกว่าคนมีสตนะิเพราะจิตไม่มีอกุศลสมถะหัดใหม่ๆจิตไม่สงบนะลําบากนะนอึดอัดสมถามีภาระเยอะเช่นจิตฟุ้งซ่านจะต้องทําให้สงบ สงบแล้วต้องรักษาความสงบเอาไว้ในงานเยอะสวิตตสนางน่ายฟู้สร้างรู้ว่าฟุ้งซ่านทันทีที่รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตไม่ฟุ้งซ่านและวจิตรู้สึกตัวขึ้นมาเบิกบานทันทีบางคนยี่สิบปีไม่รู้เรื่องก็มีนะเออไม่ใช่เรียนการสมารู้เรื่องทุกคนหรอบางคนฟังประโยคเดียวรู้เรื่องก็มีเนี่บางคนสองปีสามปีอย่างเงี้ย ส่วมากอ๋อนี่ยนี่ที่ตัวอย่างคนหนึ่งเนี้ยร้องไห้ได้ทุกเดือนเนี่ยมาเรียนนะมาเรียนที่ศาลาลุงชินแล้วก็คุณอาหนูทําถูกหรือยังย้างาไม่ถูกเราอย่าทําสีรู้เอานะรู้กายรู้ใจไปตามที่มันเป็นไม่ใช่ไปทําอะไรขึ้นมานะแอบร้องไห้ในใจแล้วกลับ้านไปร้องจริงๆรนะรักษาหน้าเหมือนกันนะไม่ร้องให้คุณเห็น อีกเดือนหนึ่งมาอีกแล้วพัฒนาวิธีการใหม่มาอีกแล้วะถูกก็ยังไม่ถูกอย่าทํารู้เอาไม่ทําำจนทํา ม, มาถึงวัดนี้ใช่ไหมโอ้มีเคสอย่างเงี้ยเยอะมากเลยหลายคนทําทําจนท้อใจโอ้ทำยังไงก็ผิดทํายังไงก็ผิดไม่เอาต่อไปนี้ไม่ทําแล้วเลิกปฏิบัติ เราเนี้ยไม่มีบุญวาสนาเราจะเลิกปฏิบัติแล้วดรไชยพัฒน์ไม่เอาแล้วหมดแรงภรรยานะไม่ค่อยรู้เรื่องเลยทำไมทำเก่งพอแกท้อใจแกก็บอกต่อไป น, นี้ไม่ปฏิบัติพอเลิกคิดะอยากปฏิบัตินะใจก็โล่งเบาขึ้นมาแล้วแกก็รู้ว่าจิตกำลังเบาอยู่โอกาการปฏิบัติมันง่ายแค่นี้เอ ง, งจิตเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้น อเจ้านั่นอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะยิราสินีถูกพักพวกลุมด่าในเน็ตนะมาที่นี่หลวงพ่อบอกว่าอย่าสนใจคนอื่นดูแต่จิตของเราไว้มันก็ดูแต่ความเสียใจนะดูไปถึ ง, ถ ง, ถงจังหวัดกลังเ่ยพอฟ้าชิดขึ้นมาฟ้าสว่างโอ้เปดดูเห็นความเสียใจแล้วตรงสภาวะไม่ได้อยากให้มันหายมันก็หลุดร่วงไปเลย ง่ายๆเท่านั้นเองง่ายมากถ้ารู้สึกว่ายากนะแสดงว่าทําผิดนะ <c oughs> เหลือห้านาทีใครจะถามอะไรต้องทนหน่อยนะเข้าใจยาก <c oughs> ฟังรอบเดียวบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจ คือถ้าเราเดินนี่เราต้องเดินนะเพราะเราไม่ได้ปิดง่อยทุกก้าวที่เดินรู้สึกตัวนั่นแนอะ่ะเรียกว่าเดินจงกล ม, มเออตั้งท่ากลับไปกลับมาเรียกว่าหลงเดินอยู่เอานะอย่างนั้นเรียกหลงเดินถ้เดินด้วยรู้สึกตัวนั่งด้วยความรู้สึกตัวนี่เรียกปฏิบัติบางคนบูชาทโต้รุ่งเลยนะก็ผิดโต้รุ่งอ่ะได้แต่ความอดทน ก็ยังดีได้บารมีในด้านอดทนอดกลั้นได้สัจจะได้ความตั้งใจอธิษฐานว่าบารมีแต่ไม่มีปัญญาบารมีได้ได้นั่งก็นั่งมีสติ ทำอะไรก็ได้เพราะวิตัสนาเนี้ยทำได้ตลอดยกเว้นมีข็ยกเว lon, เ้นเหมือนกันยกเว้นตอนที่ทำงานที่ใช้ความคิดเพราะเราจะต้องคิดเราไม่ใช่รู้เมื่อเราคิดเราก็ทำวิตัสนาไม่ได้ เ, เราอย่างนั้นได้สิม่นเหน็นร่างกายทำไปง่ายอย่างนั้นดีแดูไปอย่างนั้นอืม <ou, S 2> นั่นแนะดูไปอย่างนั้น แต่จิตต้องเป็นอย่างนี้นะนี่ไม่หมายถึงว่าจิตพื้นฐานเนี่ยจะต้องรู้สึกตัวหยุดไม่ใช่ไปดูกายอย่างนี้ไม่เอานะนี่รู้สึกอยู่ในชีวิตจริงๆนะหลอมการปฏิบัติเข้าในชีวิตจริงๆให้ได้ล ง, ง่ายโดยทาอะไร เออแค่นั้นแหละนะอย่าทอาอีกเอาเรื่อมทอําอีกแล้วคุณวุฒิมีอะไรไหมคุณมวลนะ่ะจดลูกเดียวเบิกบานรู้ว่าเบิกบานก็ดีแล้วเนี่ยดีกว่าสมองดีครับเนี่ยจิตไม่ต้องเป็นอย่างนั้นแหละเนี่ยรู้สึกไปแค่เนี่ย มันมันว้าวเวต้องเป็นอย่างนี้ไม่ไปปรุงแต่งอะไรไม่รู้จะทำอะไรก็ทำอะไรสักอย่างนะเช่นเดินรงกลมนั่งสมาธิทำอะไรก็ได้ว่าไงคือฟังหลว่อพูดก็ต่างต่างต่างอยู่อือใช่ ไปเรื่อยๆเราก็รู้ความยู่ใช่ก็รู้ความเปลี่ยนแปลงองจิตนะจิตเราเปลี่ยนแปลงนี้เราเข้ารู้ไปได้เสียงมากระทบเ้าเป็นอารมณ์มากระทบมากระตุ้นให้จิตเกิดปฏิกิริยาเราก็รู้ที่ปฏิกิริยาของจิตไปว่างไง เวลาคิดเนี่ยมันรู้เรื่องเวลาเหม่อเนี่ยมันไม่รู้เรื่องอะไรนะมันเป็นความหลงขั้นสุดจิตคิดนี่เป็นความหลงพอประมาณมา ไ, ไ, าไม่ใช่สิ เ, เหมือนบาง ท, ทีเขาสะกดจิตใช่ไหมสะกดจิตให้กดความคิดไว้กดความรู้สึกไว้แล้วอะไรก็ผุดขึ้นมา ก็เราทำมาหากินด้านนั้นเราก็ทำไปเถอะนะเป็นนักแต่งเพลงหรือเป่าหรือเป็นศิลปินเราถือว่าตอนนั้นเราทำหน้าที่ของเราทำมาหากินอะของเราก็ทำไปแต่เวลานอกจากนั้นเนี่ยมาเจริญสติไว้ คร <c ười> <ừ> ับพวกเยอะไม่หายกุ้มใจเนาะ